ขยับผิดท่าเท่านั้นแหละจังขาจังโอ้ยหลอดไฟก็ไม่เก็บเนา <c oughs> ะห <c oughs> ลอดไฟที่ปิดทองอะนะไม่เก็บ <c oughs> สังขารดูเถอะสังขาร มันทำงานทุกเวลาทุกระยะทุกเวลามันไม่เคยหยุดคงที่อยู่กับที่เลยนะสังขารคนนี่ยดูเห็นง่ายสังขารไม้เอือยอะไรเอืยอย่า่าดูยากกับง่ายเหมือนกันนะดูสังขารไหนลังคากุติวัตรเราดูเถอะผุไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้ ซ่อมก็ไม่จบซ่อมยังไม่หมดงานปอกเป็กปเป็กไม่หมดหมดไม่เป็นวัดเหล่านี่ก็ยี่สิบปีแล้วสร้างก็ยังไม่เสร็จซ่อมก็ยังไม่เสร็ จ, ม, ม, รจมันยังจะต้องทาอีกอยู่หน้าเนเพราะฉะนั้นหมใครไม่ประมาท เอาใจใส่ความภาคความเพียรก็ตั้งใจทําได้วงที่เสียสละมาช่วยตระปาปังบ้างกับให้ตั้งใจนะอย่าทําให้มันได้โทษอย่าทําให้มันเกิดโทษดูให้ออกดูให้สฉุกทําการทํางานทํำอะไรดูให้ฉุกลุ้ยให้ออกไม่ใช่สัพทว่าอยากทําแล้วก็ไปทํา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 วันคืนต้องไปให้เสียดายเวลานะยาวเวลาไปทิ้งนะมีทระประปังอะไรให้ช่วยหมู่โดยเฉพาะยังยิ่งขอวัดเนี่ยขอวัดต้องช่วยดูแลกันบางคนแบกถามก็แบกถามจะเป็นจะตายบางคนสบายสบายจะเนจะตายอีกเหมือนกันเลยอย่านนยให้เปลีนนะ่ยน <c oughs> เอาเป็นว่าประโยชน์ใครประโยชน์เราก็แล้วกัน ใครเห็นอัตตลประโยชน์ทำให้เรียวแร ง, งตัวเองก็ต้องใจทำาัดกว่าเช็ดถูกวาดส่วนรวมรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยดูแลหมู่คณะดูแลหมู่เพื่อนด้วยหลวงพ่อเพิ่มใีกายอายุเขามากเลยนะอ่อนลงอ่อนลงทุกวันไม่มีใครช่วยดูแลหลานช่วยดูแลเปล่าไม่รู้เนะี่ย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 ไม่ต้องทำในเชา้ามันสวดลำบากเหลือเกินเราเคยเจอเองเราไม่ไหวดอกหนาเนี่ยนาวสวดตอนชเช้านไม่ไหวดอกมับสวดวันที่เท่าไหร่ที่ยี่ิบเอ็ดย่ิบละเนี่ยยี่สิบยี่บเอ็ดเราก็ไม่อยู่อีกเดี๋ยวนี้มันไปพ่วงอีกจนถึงยี่บสองนะ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 มีแต่แลยวมีแต่ไม่หนักแค่ไม่หนต้องดูแลความเป็นระเบียบด้วยเรียบร้อยด้วยความสะอาดระยะนี้ใบไม้มันจะเริ่มลงแล้ะเดี๋ยวจะเกละกลางทมไปหมดต้องดูต้องช่วยดูแลกันเดี๋ยวก็ไฟป่ามาเล่นงานอีกแล้วนี่ไฟป่าเนี่ยใบไม้มันลง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 อย่าทิ้งศีลิธรรมทิ้งสติธรรมทิ้งปัญญาธรรมปล่อยเนื้อปล่อยตัวอย่าทิ้งภาวนาก็จับไม่มีธุ ร, ระปักปั้งอะไรให้เวลากับมันอย่างเดียวเลยเวลาทําข้อบัดรเราก็ไม่ปล่อยแล้วก็เดิน ถ้าเราคิดถึงเรื่องประโยชน์ของสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันชวนดูดดื่มในการนั่งเนี่ยนั่งเนี่ยเนี่ยมาเนี่ยมานั่งเนี่ยมารวมกันมาอบรมอบรมขิดอบรมใจของเราของท่า น, นมันมีกับจิตกระใจที่จะมานั่งที่จะมากําหนดจดจอ่อที่จะมาพิจารณาเพิ่มผลรายได้กับตัวเองมันมีกระจิตกับใจนะ มันมีความอยากนะอยากได้อยากทำโอ้เข้าที่เลยเข้าที่เลยกำหนดวิจารณสบายโลเบาจิตมันสงบไม่ให้มันวุ่นวายบางคนไปปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้จิตวุ่นวายจะเป็นโรคประสาท ต, ตายระวังให้ดีระวังให้ดีใครไม่ภาวนาเนี่ย ไปปล่อยใจล่องลอยแล้วก็ไม่ระวังอีกอันหนึ่งระวังนะชันกาแฟไม่เป็นเวลาลานนี่เป็นประสาทเติมนะภาวนาก็ภาวนาดู น, นั่นแหละไอ้ทำไอ้าาที่มั น, พ า, นพาคิดพาปรุงนั่นแหละดู ต, ตามต้อนดูนั่นแหละหัดดูหัดพิจารณาดู มันคิดก็รู้มันคิดมันปรุงก็รู้ว่ามันปรุงรู้ละเอียดลึกเข้าไปไปกำกับอยู่กับไอ้รู้ที่มันกำลังจะโผล่มาน่ะไปกำกับอยู่ตรงนั้นเลยเให้มันเงียบให้มันว่างให้มันโล่งอยู่ตรงนั้นน่ะลึกเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปกดตรงนั้นเลยน่ะมันจะโผล่มาตรงไหน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 ความเพียร น, นี่เราประรบสิ่งเดียวเนี่ยมันได้ทั้งสี่ข้อสีอย่างเลยพุทโธมีสติกำกับอย่างเดียวนี่สติสัมปชัญญะกำกับอย่างเดียวพุทโธพุทโธพุทโธผลของพุทโธ ท, ที่ล่วงไปแล้วนีมันก็สะสมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้เเนเนี่ภาวนาประธานอนุรักษณาประธานมันไปด้วยกันนะกุศลใหม่ที่ยังไม่เกิด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 เกี่ยวกับเรื่องการเข้าฌานละเอียดลึกเข้าไปจนกายสังขารเนี่ยสงบระงับไปดูในการกำหนดดูลมที่ฉันพูดเอาไว้ละเอียดแล้วดูให้จิตสงบมก็ดูได้เวลาขยับออกมาแล้วก็จอดูตรงนั้นแหละดูจนละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไป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 แต่เราสังวรนั่งอยู่นิ่งอยู่ก็หมดจดจ่ออยู่แต่ถ้าจิตไม่มีพื้นมีฐานนีมันจ่ออยู่ไม่ได้นานจ่ออยู่ไม่ได้นานท่านจึงให้ทํางานให้ดําริอยู่ทุกขณะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจนกว่ามันจะอิ่มมันจะทิ้งพุทโธมันก็จ่ออยู่นั่นแหละมันไม่ยิ่มไม่โดดไม่ดิน้นไม่ไปไหนนี่ก็เท่ากับไม่ให้ตัณหาแสดงนี่คือสังวร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 เราจะต้องไปตั้งใจทํากําหนดรู้กําหนดพิจารณากําหนดละหรือหรือเพียงแต่จอ่อกิริยาทั้งสามนี้มันก็ตกไปหมดแต่ท่านพูดให้เราฟังเป็นขั้นเป็นตอนให้เราเข้าใจง่ายเหมือนอย่างต้นไล่์ในหลักปฏิจจสมุปบาทนั่นแหะไล่ไล่ไลน์ไลน ไ, ไ, ไปจนถึงสายตั้หาใหม่มันเกิด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 ดูจอดูไปที่ใจของเราชาดเข้าไปล้างเข้าไปขัดเข้าไปมันเป็นอะไรมันก็เป็นการละกําหนดรู้กันหมดพิจารณากันห ม, นนนหมนละเนี่ยเริ่มแรกเราก็สมัติรมพอมาถึงขั้นนี้มันก็เป็นวิปัสสนาก็หัดทำเข้าไปสะสมเข้าไปสั่งสมเข้าไปเพื่อความแข็งแกร่งของสติของสามพิจัญญาของเรา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 พยายามจับตรงนี้ให้ต่อเนื่องเนี่ยมันได้วันคืนล่งนนวลงไปมันได้วันคืนล่วงไปมันได้เพื่อทำธุ ร, ระปังอะไรอย่างอื่นมันหากได้ข้อคิดอยู่นั่นแหละมันจอมันสงบอยู่นั่นแหละทําเพื่อเพิ่มพูนความสงบทําเพื่อเพิ่มสติสัมปชัญญะอุบายอจารย์สายวัดฝ่าเราท่านจึงให้ทําเป็นอา จ, จินนกรรมทุกอุริยาบทยืนเดินนั่งนอน ทำท่ารประปังหรืออยู่ในท่าที่อิริยาบถนั่งภาวนาหรืออยู่ในท่าที่อิริยาบถเดินจงกรมกำห น, นจดจุดจ่อพิจารณาหรือทําข้อวัดนั้นทําข้อวัดนี้ก็เอาอันนี้ไปประกอบเพื่อให้งานการของเราก้าวนาไม่ปล่อยไม่ละไม่วางไม่ทิ้งมันไม่มีใครทําโอกาสให้กเราดอกถ้าเราไม่ทำํำสมมติย่างเราปล่อย ผมเนี่ยปล่อยให้ทาปล่อยให้โอกาสเนี่ยนะเจ้าของเอาไปทิ้งเอาเวลาไปทิ้งเอาโอกาสไปทิ้งแล้วม you <to> <Prix> ันก็จะได้อะไรเจ้า <Kick> ของต้องทำโอกาสเราเองอย่าลืมว่าวันคืนล่วงไปเนี่ยโอกาสมันก็จะล่วงไปล่วงไปล่วงไปอายุไขก็ล่วงไปล่วงไปล่วงไปวันคืนก็ล่วงไปล่วงไปล่วงไปความพร้อมความสมบูรณ์ของอัตภาพร่างกาย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 เคลื่มเค ล, ล อ, ลอเผลอดี๋องปั๊บมาแล้วนั่นเราของของเราโผล่มาแล้วเราของของเราโผล่มาแล้วเจ้าของมันมันโผล่มาเจ้าของมันความอยากอยากอะไรอมันเจ็บอดออดอัดปวดปว ด, ปวดตรงนั้นปวดตรนี้มันอยากอยากพลิกอยากเปลี่ยนอยากไม่เจ็บอยากสะดวกสบาย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 ทำจนได้ทำจนเป็นทำจนมีสะสมก็ไปเรื่อยได้ทำธทระประปังก็ไม่ปล่อยสติสัมปชัญญะให้อยู่แต่กับเรื่องเดียวไม่ปล่อยให้มันเอาความนึกคิดของเราไปนึกคิดป ร, ระสิทธิประโยชน์นึกคิดทิ้งเฉยๆไม่ได้ประโยชน์อะไร น, นึกคิดเลยเปลื่ยล่องลอยไปไมาแด่ไล ให้ตั้งเจตนาคิดพุทโธพุทโธตั้งเจตจำนงมาที่ใจพุทโธพุทโธพุทโธเราจิตเราละเอียดขึ้นมาแล้วมันก็ไปอย่างหนึ่งจิตของเรายังไม่ละเอียดพอเราตั้งใจแบบนี้มันก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง ทำไมอะไรก็พุทโธอะไรก็พุทโธมันแย้ว่ามันเท่ากันนะไอ้ผู้ที่สั่งสมมาแล้วเนี่ยพุทโธกับไอ้ผู้ที่เริ่มสั่งสมพุทโธไอ้ผู้ที่เขาตั้งตัวได้แล้วเขาเขาพุทโธกับไอ้ผู้ที่ตั้งตัวยังไม่ได้พุทโธแย้ว่ามันเท่ากันนะความละเอียดของใจมันไม่เท่ากันนะแล้วดูเข้าไปสิ อย่างงั้นฟังเทศพุทธเจ้ากันเดียวกันอะคนหนึ่งยังไม่ได้อะไรเลยแต่เริ่มใส่ศรัทธายุอัศจรรย์ละเอียดปรณีตอัศจรรย์เหลือเกินคําเทศคําสอนของท่านเริ่มใส่ศรัทธาบางคนได้เป็นปะโซดาบัอ่าจิตเข้าถึงงละบางคนได้สุกิทาคาบางคนได้พระอนาคาาทิ้งหมดทิ้งร่างกายหมดแหละ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 จะขี้เกียจขี้ครั้งนขี้เกียจในจิตนะขี้เกียจในใจนะขี้เกียจยกสู่อารมณ์เพื่อความสงบขี้เกียจยกจิตสู่อารมณ์เ พ, พื่อพิจารณาพิจารณากองสังขารขี้เกียจมันไม่เห็นผลเห็นอันนี้สองมันขี้เกียจมันมงงเหงาหาวนอนนี่หวนครอบ ง, งำทําไงสับเปลี่ยน เปลี่ยนยืนเปลี่ยนเดินเปลี่ยนนั่งเปลี่ยนการพิจารณาเปลี่ยนจับนึกคิดมากมากมาจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวเปลี่ยนจากจ่ออยู่กับอารมณ์อารมณ์เดียวเนี่ยพิจาราย้อนไปพิจาราย้อนมาพิจาราย้อนไปพิจาราย้อนมาสับสับเปลี่ยนอยู่นี่ฝึกอยู่นี่ซ้อมอยู่นี่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 สังขารมันก็ปรุงไปตามเรื่องของมันไปจะว่าอะไรทําสังขารข้างในจิตของเราเนี่ยมันทำยิ่งสังขารประกอบกับมันสมองมันสมองมันมันไม่สมประกอบกันแล้วเนี่ยมันก็ร้อนไปเรื่อยแหละถูกหลอกทั้งทั้งที่นั่งอยู่เดินอยู่นี่ยมันหลอกมันร้อนอย่างนั้นจิตเวดจะมีล่ะจิตเวดเขาสำหับดูแลพวกนี้ยเกี่ยวกับประสาท มันหลอนต้องอาศัยยาช่วยถ้าใครเป็นยากำหนดดูรูปให้ดูอาการดูลมให้ดูลมลมเข้าลมออกทำความสงบก็บพิจารณาลมลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกทำความงสงบอยู่สงบอยู่กับสติ จ่ออยู่กับผู้รู้อยู่อยู่สงบอยู่กับสติจ่ออยู่กับอาการของลมนั่นะลมเข้าไม่ห้มันหลุดไม่ให้มันขาดช่วงเข้าออกเข้ า, ารู้ออกรูออก้เข้ า, ารู้ออกาารู้แค่ว่าวเราจับไม่ปล่อยเลยจับมืดจับครั้งเดียวก็ไม่ปล่อยมันเข้าไปมันออกมามือเราไม่ปล่อยเข้าไปออกมา เข้าไปเรามาเข้ายาวเข้าสั้นมือเราไม่ปล่อยนี่จับไม่ปล่อยอารมณ์ใดก็ตามเรามาจับไม่ปล่อยสงบคิ้ดนึงเดี๋ยวนี้แหละพุทโธลองจับดูที่จับไม่ปล่อยดูที่เอาผู้รู้น่อยจับพุทโธไม่ปล่อยทางความรู้สึก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 ไม่มีนิสัยมันไม่เห็นดอกไม่อยากเห็นเดี๋ยวสัญญามันหลอกรูปสังขารมันปรุงแต่งหลอกอนันถ้าใครมักโดนหลอกให้ดูลมพิจารณาลมพิจารณาลมหรืออยู่กับความรู้สึกคำรู้สึกว่าคำว่าพุทพุธทพธทุดูมันทำงานไงอย่าให้มีภาพออก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 มันโร่เนี่ยโร่มันเมื่ออะไรทึบๆอยู่ในหัวสมองหายไปมึศเอาเท่าทนี้แหละวันนี้